ตอนเย็นเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติที่เรากำลังทำอยู่นี่เราทำอะไรเรามาฝึกกรรมฐานกรรมฐานคือการกระทากรรมคือการกระทำฐานคือที่ตั้งที่ตั้งของการกระทำ ทำอะไรเอากายไปขยันลูกเหมือนกับการท่องจำให้มันติดถ้าความลูกกับกายที่ติดกันแล้วมันไม่มีโอกาสจะเป็นอื่นที่ไหนก็ที่นั่นแต่ชื่อว่ากายเราคือความลูกสึกตัว เมือกิดการท่องจำจริงๆตาวิตาภูริกตาสังบัตตันติกทำให้มากเจริญให้มากเมื่อเราท่องหนังสือเคยอ่านหนังสือธรรมบัตจะไม่บวชใหม่ๆ ใ, ให้มีไฟฟ้าต้องใช้เทียน เทียนก็สีออกเทียนสำเร็จรูปทุกเหมือนทุกวันนี้ไม่มีใช่ไหมก่อนมีแต่สีออกเอาเทียนมาตากชื่อเทียนเป็นปึกขี้พึ่งมาเป็นปึกมาตากแดดแล้วก็เอาได้เป็นเช่นผูกเอาเพึ่งพึ่งไปหล่อกับพ้ายแปลงกันในวัดธรรมวัิร มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยเอาแบบไปเอาแบบใดล่ะท่องว่าเราจะล้อยจบมันจะเป็นยังไงเอาไม่ฉีดไปมากับผ่องหนึ่งประมาณห้าสิบก้านมานั่งท่องท่องวันเลยพอจบจบหนึ่งก็เอาลูกไม่ฉีดออกทิ้งไว้ จบอีกสองจบก็ดิ้งทุกขีดกับมาใสยยกออกไปเลยร้อยจ บ, จบปิดเลย <laughs> วางหนังสือเออทุกวันนี้ยังเก็บหนังสือกันอยู่นี่แสดงว่าไม่ขยัด <laughs> ร้อยป่าวางตั้งแต่บวชได้เสียวันนะหนังสือตั้งวันนห ติดปากท่ตัวเนี่ยเวลาไหนก็หลังสำลาสมุทโตกควาพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดิดัดไว้ดีแล้วเป็นพระหานเหมือนกันหมดถ้าหลังก็คือดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์เสื้นมเชยไปเลยมันบอกทิศบอกทางไปต่อไปนี่อีกไม่นาน <c oughs> จะได้ธรรมจักรมา ตั้งไว้ที่หมินโกงให้พวกเราเชาวสุโโตสวดธรรม จ, ก100จักร้อยจบทุกชีวิตเลยไม่ขีพรโจงพระสงฆ์เวลาธรรมจักรตั้งขึ้นน่ะเราจะล้อยจบเราก็มาติดเลยติดแล้วมันเป็นไรติดกายติดกับสติมันไม่ใช่ธรรมดาจริแล้ว สติจิตกับกจิตใจไม่ใช่ธรรมดาสินะเวาบาาจาร์ที่ไปพูดเอาคาพูดที่เป็นภาษาธรรมะไม่ใช่ธรรมดานะมันมีอะไรที่ไปไกลกว่านั้นไม่ใช่เป็นภาษาโนแก้ลูกคุนทองยิ่งเรามาปฏิบัติเนี่ยยิ่งมาเห็นเนี่ยเป็นเส้นเป็นทางเป็น ดำดับไป <c oughs> ยิ่งชัดเจนไปเมื่อมีสติมันก็อะไรไปกำกับได้หลายอย่างเหมือนหลวงตาพูดวันมาก่อนว่ารู้จดชีพภูมิที่ดีมีอะไรที่มันเกิดกับกามกับใจนี่มีชีพภูมิรู้ก่อนแล้ว <c oughs> ดีไหมเส <c oughs> ียงชีพภูมิ ช้ำนี่ชำนานแล้วดูวจักแล้วรู้จักล่วงหน้า้วยสั่งไปรู้จักท่ากลางด้วยรู้จักเบื้องต้นรู้จักที่สุดด้วยเหมือนคนชํำนานในทางใดจะไม่หนึ่งหลงตาไปเกาะตะลุเต่าล้วไปขึ้นเรือดำงูเท่าเรือ มีเรือจอดอยู่จะไปเที่ยวตะลตะะูเตมนยเรือเขบอกว่ายังไปไม่ได้เทินยังหนักมากที่นั่นอีอ่กสักหน่อยจะบอกแล้วก็นั่งอยู่ในที่พักมายเรือเขก็มาบอกไปได้เร็วๆหน่อยเจ้ากว่านี้ไม่ได้แล้วแล้วก็พาไป ก็จะเทียบได้่งเอาเสิยเราขึ้นติมเติมเติมมาเกือบจะลงไมาได้ขึ้นนี่ผมกบอวว่าชาติกว่านี้ไปได้เลยทำไหมเขาจึงรู้เรื่องนึ่งนี้ได้เขาชำนาญชำนาญในพื้นที่ชำนาญในชยภูมิเนิรหวานนี่ก็ไปเห็นโลกหลานเขาเรียนนายเรือมาทหารเรือเดี๋ยวนี้ก็ฝึกหนัก ขั บ, รบเรือใหญ่ เ, เรือสินค้าไปหลายประเทศเขาก็บอกว่าเขาลู้จักมีเลน่าบอกมีคำนวณบอกดูแผนที่โลกตรงไหนเขาบอกเรือสินค้าใหญ่ขนาดเท่าสนามฟุตบอลเขาบอกนี่ <c oughs> แล้วก็ชำนาญเขาเรียนลู้เลยก็ชำนาญ เ, เรือเร่องนั้น ติมันก็คู่กับกายเราควงมหลงความทุกข์ความโกรธความอะไรต่างๆการติได้คู่กับกายกับใจเราทะลุทะ ล, ลวงได้ดนะ่าไม่สะดุดนิดหน่อยข้ามได้มันเป็นทางบอกอ น, นี้หลงมันก็ไม่หลงนะมีโกรธก็ไม่โกรธมีทุกข์ก็ไม่ทุกข์มันเป็นทางไปถ้าใจหลงเป็นหลงไม่ถูกต้องที่สุดเลยนะ ไม่ทุกเป็นทุกไม่ถูกต้องที่สุดเลยถ้ามีสติยิ่งมีสติเป็นกรรมฐานด้วยมีการกระทําไปในตัวเสฉยแป๊เปดียวเลยเช่นผมลัดนิ้วมือเดียวก็ว่าได้ให้มันติดนะมันเป็นคู่กันอยู่ของทั้งหลายทั้งปวงเนีมีความหลงก็มีความไม่หลงนะมีความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์เป็นคู่กันอย่างนี้จริงๆมีความหนาวก็มีความอน ความอุ่นได้จากอะไรเยอะแยะห้าหอมบ้างเิีงไฟบ้างอะไรต่างๆมีความร้อนก็มีความเย็นความเย็นได้จากอะไรไม่ใช่ร้อนแล้วไปเิียงไฟมันก็ไม่ถูกต้องคนที่โกรธจับไปมันโกรธมันก็ไม่ถูกต้องแต่ร้อนเราก็อาใช้ความเย็นด้วยพัดลมบ้างด้วยน้ําบ้าง เข้าร่มเข้าเงาบ้างหลอยอย่างไม่จนเลยเราไม่จนต่อความร้อนเราไม่จนต่อความหนาวม่แต่คนมาก็ยัไม่จนนะฝนตกยังเข้าร่มเป็นะ่างนี่ธรรมามันประเสริคนนั้นดีกนะมีคู่อยู่ที่นะอันมีคู่อยูงนี่หนะ้าที่จะยิ้มต่างเพื่อนมันหิวก็มีความอิม่ม แมันหิวมันก็ไม่อินะ่มเนาะอะไรที่มันจะอิ่มเลยมันก็รู้จักเองไม่มีใครมาบอกหิวข้าวก็จริงข้าวแม่ตี๋ก็จรงรู้จักเวลามันหิวมันก็มาอ้อนแม่อ้อนพ่อพ่อทำไอื่นนก็ยังไม่หยุดบอกว่ามันหิวข้าวหิวข้าวอยู่ มาโอ้ให้ได้จนได้กินข้าวโอ้มันเป็นธรรมชาติจากนั้นจริงๆจะบังคับให้เราทุกข์ได้ยังไงรวมทุกข์จะบังคับให้เราโกรธได้ยังไงจะลำบังคับให้เราหลงได้ยังไงนี่เราเป็นกรรมฐานกรรมฐานมันเป็นอย่างนี้นะจับเล็กฉักฉิดอย่างนี้นะกรรมฐานนี่จะท่องจะจําไม่ได้ ต้องมาโตมาติดเอตนะมาให้มันติดเโตนะแบงปันกันก็ไมได้หิวข้าวยังมีคนหาข้าวให้กินหนาวจงมีคนเอาผ้ามาหกมให้ก่อไปให้บางที <c oughs> มีกฎหมายด้วยอย่างเตาไปอยู่สวนรคบ้านเขาในถมมีมี แปลนให้ทำนะถ้าทำไม่ถูกแปลนก็ไม่ให้อยู่เรากมีใต้ดินใต้ดินมีหม้อน้ำร้อนมีบนบ้านมีเตาไฟไปไปชุมกันกันกบพวกคนหลังเราไม่ใช่เป็นนั่งได้ง่ายๆต้องก่อกองไฟเ้าก็มีโทษไฟขึ้นเหมือน แล้วก็เขี่ยทานออกมาแล้วก็นั่งคุยกันกินน้ำชาบางแผนเผยแพร่แล้วมานั่งที่ไม่มีกองไฟไม่ได้เด็ดขาดต้องไปนั่งใกล้กองไฟได้ความอุ่นจากไฟเนรนอนก็ได้ความอุ่นจากเอใช่ไหมแอรอุ่นนะ <laughs> ไม่ใช่อรร้อนบ้านเราอ่อ <laughs> ยเขาก็อก ด, ดีดีเดลาเทร์มมันนะคิน้อยเวลามันจะหนาวมันก็แจ๊กนี่รกัอุ่นตรงก็มัเนเย็นลงก็ปิดปั๊บอยเนี้่ไม่มีใครทามาไหวหัวนอนเลยทํ า, ามท่าจะ้ําวแจ๊กขึ้นมาเองได้เวลามันรู้จากดาวอุณหภูมิมันบอกแล้วมันร้อนก็ถ้าถึงเราโดนร้อนมันก็ปรับเป็นเย็นสองสองสองลักษณะ อีกหน่อยนะเดี๋ยวจะหาพัดมาถือคนละนัดนะเดีย๋ยวนี้ต้องถือพระองค์นะอีกสองเดือนสมเดือนข้างหน้าเนี่ยพัดลมจะพอใช่หรือเปล่าจานถิ่นติดทุกเสาเลยเนีย่ยังไม่พอนะเหงื่อไหลนะอีกสักเดือนสองเดือนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติมันนะในชีวิตในโลกนี้เรามีความแกเเป็นธรรมดาจะล้มลุกของเกเไปไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้ธรรมดาจะลงพ้ความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงค้นความตายไปไม่ได้อะไรมันตายครามองเกยมันเกยเครื่องเก็บมันเก็บความตายมันตายมันเป็นอย่างนั้นอันเพราวะว่ากรรมฐานมันจะเห็นมันเป็นเห็นแจ้ง ความเก็เป็นทุกข์ความเก็ไม่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความเจ็บไม่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความตายไม่เป็นทุกข์กลับมาถานไปตำนองนั้นคิดเลยเลยโชว์เลยตอนนี้เพื่อขอญาติโยมวิคิดได้เลยวิคิดควงเก็บอย่างงดงามสง่างามวิคิดความตายอย่างสง่างาม ก็มาฐานไปทางนั้นนะนัก็รู้ตั้งแต่นี่แล้วเห็นกายอีสิ่งที่มันเกิดกับกายรียกว่าเวทนามากมายไม่ใช่กายนะนั่นเป็นจักแต่ว่าเวทนาเราก็ว่าได้สวอ่าแต่ที่รื่ สติเลยอะไรมรรคข้อที่เจ็ดตหกนีสติอะไรรมภาพเพียนชอบเป็นอย่างไรเล่าปะยีกาญาณปิเสษมนติมีสติเป็นกายอยู่เป็นประจำกายสภาวากายไม่ใช่สัตุคนตัวตนเราเขาว่าเอาอย่างนี้แต่บิบ่าเนี่ยสติ จ, จริงๆมันจะเห็น ไม่ใช่มีคําพูดเวทนามันหลายมากวายอันสัตยกลายเป็นเดียวมันกอให้เกิดเวทนาเป็นสุขผทุก์มากนับไม่ไหวนันก็สักแต่ว่าเวทนาอันสุข ก, ก็าตามทุกข์ก็ตามยังไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามไม่ใช่สัตวบุคคลตัวตนเราเขาทาไมมันจะไม่เหนือการเกิดเจ็บเจบตายมันบอกไปทำหน่อนี่แนละ้ จิตก็เฉพาะจิตอันเดียวจิตนี่ยมันทำนั่นทีมันเกิดกับจิตมันมากนะทั้งหลายทั้งหลายทำที่เป็นธรรมทั้งหลายเห็นธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมันหลายธรรมนะเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นบุญเป็นบาปเป็นความงู้เป็นความฉลายเป็นความพุ่งสรางเป็นความสงบมีเหมือนกัน ทั้งหลายทั้งหลายมันเกิดที่จิตอย่าไปถือว่าเราอย่าถือว่าเป็นจิตอันความเก็บมันเป็นอะไรความเก็บเป็นอะไรไม่ใช่เรื่องทั้งหลายนะไม่อันเดียวทั้งนั้นแหละความเจ็บทั้งหลายความเก็บทั้งหลายอันชื่อว่าเจ็บก็คือเจ็บอันชื่อว่าทุกข์คือทุกข์อันชื่อว่าไม่ทุกข์ก็คือไม่ทุกข์มีสองอย่างตรานี้ เหมือนกับมีกลางวันมีกลางคืนมีความร้อนมีความหนาวมีความหิวมีความอิ่มอะไรที่บาอย่างอื่นมาได้ตรงกันก็ดีในความเจอก็มีความไม่เจอในความเจ็บก็มีความไม่เจ็บในความตายก็มีความไม่ตายอย่างเนี้ยมันไม่มากต่าเหมือนกับว่ามันกะเสพไปแล้วเต่เราจะติีนยง ไปแล้วดูจกใชยภูมแล้วไปไกลลวยช่องแปลแม้ยังไม่ถึงก็ไปถึงแล้วคํานวณคะเนนไปได้ประกาศเสอในความร้นในความเย็นแม้ยังไม่เย็นมันต้องเย็นแน่นอนเ้าไม่มีร้อนมันไม่เย็นมันเป็นไปไม่ได้ ถ้ามีเก่ก็ต้องมีไม่เก่แน่นอนกระแสไปแล้วถ้ามีสติแนละ้วถ้ามีความทุกข์ก ม, มีความไม่ทุกข์แน่นอนมันต้องพิคิดได้แน่นอนเรื่องอย่างนี้จึงเรียกว่ากรรมฐานศักดิ์สิทธิ์ใครจะเป็นมาอย่างไง ไม่ต้องมาเอามาอ้างกันถ้าจะทุกข์มาอ้างนะอย่ามาแข่งกับลงตาเล ย, ยกะรว่าทุกข์นะทุกข์รถทุกชาติเป็นลูกกงผ้าพ่อตานีจากพ่อไม่ตายในยลงในป่าหนีบ้าม้านใหม่นายังไม่มีทุ่งนาสักโศกหนึ่งวันหนึ่งลไม่ได้ตัาไม้ จะหาที่ปลูกข้าวสักหน่อยก็ไม่มีนะข้าวก็อดต้องคืนไปหาบเอาบ้านเก่าหกสิบกรมเห็นไหมไม่ชีถ้าไม่ขี่ขับรถมาไกลไหมน้องเหลือถึงเชียงค้อไกลไหมหกสิบเอาข้า ว, วาาา น, านะอะหลังกดหลังโกงเหรอใครใครก็มีมาอยู่ใหม่ไม่มีใครมีข้าวมีแต่กลับไปครับเอาบ้านเก่ามากิน ไปหาไปตำเอาได้เข้าก บ, บมาหามาสามสิบกมโลเก็นอนทางขึ้นหนึ่งนะดูสิ <c oughs> เออสามสิบกิโลเนี่ยหามาสามสิบสีสิบห้าสิบกิโลเนี่ยนอนทางขึ้นหนึ่งนะรองเท่าไม่มีนะสมัยก่อนนะเตินลยุยขี้สายร้อนก็ร้อนนะ เคยเคยหาข้าวถึงสิบกมไหมขนาด5้าสิบกิโลนะทำไมไมันถะ้าเขามาเพี้นเดียวถือเป็นเรื่องปวยตอนเย็นนำมาหมเปียกขนาดไหนก็ต้องหอม่มห่มที่เรกก็อนหนาวพออยู่กับอุ่นกับกายเป็นนานก็แห้งก็ อ, อุ่นได้นะแต่อะไรที่เป็นความทุกข์ก่า ทุกอะไรเยใจใจอะแยะคนเลยนั้นเล่มธรรมาเราเข้มแข็งคอบคุนควาทุกข์ธรรมาเราเข้มแข็งเดยเป็นคนไม่กลัวทุกข์แต่โมาทุกข์วิญากหน่ไม่กลัวเลยชู้นะอยู่นี่อ่ะสามสี่สิบปีก่อนกินข้าวแจง แกงเหน่แกงเหนือนนะรู้จากเหนอไหมสรลอเป็นเส้นเขียวๆอยู่ยนในหน้ามาเอาวแกงกินนะต้งยำนะเคยทำไหมมะขามปอมลาบนะข้าแห้งก็ลาบกินนะเ ก, กี๊ยวก็ลาบนะใต้หลงตาลาบมะขามป้อมมากินไนะ รับรองว่าเดียมือก็แล้วกันอ๋อก็่อยบอกว่ามาขําพ้อมให้ใส่ถ้วยเราให้ปกันกินนะรับรองว่าอาจจะลืมแกงปลาล่าปลาด้วยนะนน้่งปลาก็ทํากินเอายาชีพันก็ทําเอานั่งปลาก็น้ําเกลือใส่น้ำครึ่งปี๊บ ใส่เกือสามถ้วยต้มให้เหมือนเดือนตน้ำเดือนแล้วก็คั่วคัวกระเทียมเติมน้ำตาลใส่กันทุกบกระเทียม <c oughs> แตกเอาไปคั่วใส่น้ำตาลแล้วแต่เราจะเอาสีขนาดไหนแต่น้ำตาลเป็นสะีแล้วขั่วใส่กระเทียม ใส่กรเทียมเราไปลงในปี๊บน้ำปา่าน้าน้าเปลือนั่นคนให้มันเข้ากันวางไว้เย็ยนแล้วก็กรองใส่วขวดแต่ต้องกินให้หมดภายในไม่นานนะทำทีละขวดสองขวดยาชีพันก็เอาเกลือสองส่วนสอนส้มส่วนหนึง่ง จะตุกเอาสารโซ่วมวาจตุกเพื่อก็สตุกใส่หม้ใส่กระเบื้องขั่วพลานตอนต้มเวลาถูกไฟมันจะละลายนะตอนไม่ละลายต้องคนทุอโศกโศกอย่าให้มันเป็นก้อนอีกถ้าเป็นก้อนเรามันจะไม่ไม่สุกโศกโศกให้มันต้นผงมเพราะมันสตุกมันไหมเพราะจังหวัดเรามาป่น เือก็ป่นสารท้มก็ปนเอากระบูลผสมพอสมควรพอเป็นพอมีรถดีๆเย็นๆหอมๆเจ้าหนอมเจ้ากว่านี้ก็ยังใช่ในแต่มาเลยเป็นหมดทุกอย่างเพราะความจนเข็นฝ้ายก็เป็นช่วยแม่นะเดี่ยงม้อนก็เป็นช่วยแม่นะต่ำข้าวขัดข้าวเป็นนะ โอ้เราเนี่นออยัาดเข้าไปมัเดี๋ยนีจากสารนี่เป็นทุกอย่างลายไม่ไผ่ไม่ไผ่ลำนี้เจวราคาสักพันบาทก็ได้นะไม่ไข่ป้องนี่เจ้าจะครึ่งร้อยบาทก็ได้แล้วให้คนหนึ่งแค่เข้าพอเข้าแค่พอ ถึงเวลานึ่งเราจะสารหมวดสารหวยให้เสร็จพร้อมกันกับข้าวอ่อนก็ดีนะถ้าทายกันนะใชไหมก่อนนะคนหนึ่งแค่ข้าวใช่ไหมคนหนึ่งจจกตกจจกตกสารหวยพอข้าวเย็นก็พอข้าวมันอ่อนแล้วก็ข้าวเสิร์ชใจหนยได้กันดีนะใช่ไหมก่อนก็แช่งกันกันเรื่องนี้นะ นี่คนหนุ่มทําอย่างนี้ไม่เป็นไม่ได้เมีย น, นะใช่ไหมก่อนไปเล่นสาวก็ว่าช่เป็นนั่งคุยกันตองไปฟันเชือกเอาผู้สาวเออเชือกมาให้บิดบิดเชือกเชือกวันบิดได้มากก็ฟันเชือกให้เขาไม่ใช่คุยกันเสียวเวลานะนั่งรถซ่อนไทยกันอย่างนี้ไม่มีนะไม่ได้เด็ดขาดใชไมก่อนน้องนักโวนสมโนตัวอ่ะ คุยบทเฉยแต่พวกจนตำเราเชื่อมแข็งมันทุกขนี่นะ่ะทำให้เราได้พุ่นมันได้แท้วอยากกลัวตกลุกอยากได้บุญอยากรู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยากรู้จกั ก, จกศาสนาหลวงพ่อเทียนได้ยินคนพูดหลวงพ่อเทียนว่าจะสอนเรื่องนี้ ไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วก็เรียนหนังสือมากใม่ไก่อนเวทหมอก็อาถาเอาความไรเรียนหมดคาถากันนาลกก็เรียนเรียกว่าเทวดาทูตในเท้เาสวนนะ่ะเรียนได้ตั้งแต่เป็นเด็กนะวัวตกตก้นลูกแต่เบนคนเกิดก็วิ่งคาถาทบทำวูตุเทวดาทูต น่าอย่างไงเมื่อกี้เนี่ยชาติปิตุกาอะไรจะเรามีความเกิดเป็นธรรมราจะลงพ้นความเกิดไปไม่ได้เนียพระเจ้าบดีว่าไงเมื่อกี้เนี่ยอันไหนเตียนอย่างนั้นเลยเรามีควแมเกิเป็นธรรมดาเนี่ยเรียนนะไปเห็นคนเกิดก็ต้องว่าบารีสับเนี่ยไปเห็นคนแก่ก็ต้องว่าบารีสับเนี่ยเป็นนักเรียนเห็นคนแก่ไปโรงเรียนเห็นคนแก่เดินมานั่งลงนะ อ่ชาชลาปีตุคา อ, อันถังอธิการนั่งคนเจ็บไปเห็นคนเก็บก็ลงว่าคาเทวธรรมเทวทูตนี้เห็นคนตายก็ต้องว่าเทวทูตถ้าเห็นคนเกิดคนเจ็คนเจ็บตายไม่ว่าเทวทูตน้อยได้เทวทูตตกนรกคนเจ็โบราณสนอย่างนั้นเรากูเอากูกนรกี๋ยวได้สวรรค์ก็ถ้าไม่เห็นสวรรค์นี่ นี่และเป็นโจดทำไมเราอ๋หลักฐานโจนมาปุ๊บหลวงพ่อเทียนพอใจมากพอใจพอใจยุดแลว้ววะน่ยไม่แสวงหาครูอาจารย์ที่ไหนอีกแลว้ววะเนี่เป็นอย่างนี้นะอยากจะตะโกนอยากจะบอกให้ oy, ทุกคนได้ยิ้นได้ฟังมันมีอยู่ครูโรมี เรามีสิทธิ์ที่มีครูนะ <c oughs> <c oughs> เห็นตาม พ, กพวกว่ก็ดตามครูมาถ้าเราชเกเจงก็ครูพระเราเจงถ้าเราดีกับพอแม่พระเราดีแต่เร า, <c oughs> าพ้ น, พาาานทุกข์พ้นโศกโลกไปไม่เหนือเหนือการเกิดเจ็บตายพรที่เจ้าพาเราอยู่เหนือจริงหรอเนี่ยทำไมใช่อะไรใช่ไหนมีอยู่แท้ คุณพ่อคุณแม่ก็มีมือหนิ้วสิบนิ้วนี้ลูกทำนา้าทำได้มาจากพ่อจากแม่จะไม่เอาลูกเอานา้มไปทำชั่วจะเอาลูกเอานาําทำคนดีสำเร็จได้รูปน้ำนี่อาบันทำดีได้สำเร็จเอเมรรักของชั่วได้สำเร็จรูป น, น้ำนี้ได้มาจากพ่อจากแม่ว่าแม่รักเราว่าแม่อยากให้เราเป็นทุกข์ พ่อแม่อยากให้เราเป็นคนดีเราก็ทําความดีทําได้จริงๆเนะี่ยไม่บีบเบียนตนเองไม่บีบเบียนคนอื่นทําได้จริงๆนะเนี่ยเต็ดขาดเลยแน่นอนไม่บีบเบียนตนเองไม่บีบเบียนคนอื่นเนี่ยทาได้จริงๆพ่อแม่ไม่อยากให้เราเป็นทุกข์เราก็ไม่คุกโกรธที่เดยเลยโกรธไม่ได้สงสารพ่อแม่ว่าแม่เบียดให้เราโกรธพ่อแม่เ บ, บียดให้เราทุกข์ พ่อแม่มันมีแล้วก็ยังรักษาพ่อแม่อยู่เนี่ยชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยอยากจะตะโกนบอกแม่ป่ะแม่ทุ่มค่าน้ําลมแล้วลูกของแม่เนี่ยอยากจะพูดอย่างนี้เรือ่อยๆไปนะเพราะแม่พาเราดีพ่อแม่พาให้เรามาได้รับความชั่วยทำความดีมีศาสนาะมีคำสอนในยุคนี้สมัยนี้สําหรับ กายกับใจจำหรับลูกองตามมีหมดไม่มีกลวงไหนที่ปิดบังอําพรางโกผิดโบถูกไว้หมดเลยจะไปที่ไหนอีกพวกเราหาใครที่ไหนมันมีอยู่ในเรานี่ให้มันเบ่งเบนถึงที่สุดถือกายใจธรรมชาตินี่อย่าให้มีเรมาซนใสย ความโกรธันเป็นมแมลงมาซอนใจความทุกข์ความหลงเป็นมแมลงมาซอนใจสติเป็นการรักษาสิ่งเหล่านี้มันจะงอกงามขึ้นมาเกิดโตโขขนได้นะในกายในใจเรานี้เป็นเป็นมักเป็นฝนตื่นจะดึงผื่อนนมนะ <c oughs> อย่าร อ, อให้เท่าใจนะจงฝันจิเวลาหละวันนี้นะครับ